161ผู้ตื่นจากฝันคือผู้ทาตามศีลในพุทธธรรมนูญผู้สามารถเข้าสู่ปัจจุบันที่ครบความจริงแล้วปฏิบัติตามศีลที่เป็นธรรมนูญจุลศีลมัชชิมะศีลมหาศีลของพุทธเมื่อหลุดพ้นจากขั้นต้นนี้ได้แล้ว ก็เพิ่มศีลขึ้นจากศีลห้าที่เราปฏิบัติบรรลุผลแล้วเป็นศีล8ดต่อไปและจะเพิ่มเป็นศีลสิบไปอีกตามฐานะและเพิ่มขึ้นเป็นอธิศีลจนครบในจุนลศีลยีและต่อมัตชิมศีลสิบอีกตามฐานะไปตามลำดับนั้นเอง ศีลห้าศีล8ปศีลสิบก็อยู่ในจุนลศีล26นั่นเองและมัชฌิมศีลสิบข้อนั้นคือศีลที่เป็นอธิศีลของศีลทั้งหลายอันผู้ปฏิบัติจะพึงเพิ่มให้สูงขึ้นตามในยะนั้นๆไม่ใช่ปฏิบัติชนิดที่ไม่มีกำหนดประมาณอัปปะมัญญา แล้วจึงจะเข้าสู่การปฏิบัติที่เริ่มโรกุตรวิธีที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ไปจนกระทั่งบรรลุธรรมสัมบูรณ์ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดามีทุกสูตรโดยเฉพาะมหานิทานสูตรที่นำมาเป็นแกนใช้ในการอธิบาย ในหนังสือเล่มนี้พระไตรปิฎกเล่มส0บข้อห้าถึง66ส่วนมหาสีลเจ็ดข้อนั้นเป็นศีลส่วนรวมศีลของความเป็นศาสนาพุทธที่จะต้องมีกันในศาสนาพุทธก่อนอื่นเลยคือในความเป็นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ไม่มีเดรัจฉานวิชา เดรัจฉานกะถาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสีลนี้ทั้งหมดตั้งแต่ในความเป็นศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่ไม่มีเดรัจฉานวิชาเหล่านั้นถ้าผู้ใดมีเดรัจฉานวิชาก็คือสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธทั้งที่เป็นคราวาสทั้งภิกษุ ยิ่งเป็นภิกษุก็ยิ่งต้องไม่มีเดรัจฉานวิชาเพราะเป็นผู้ฉันโพชนาที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วจะไม่เลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ภิกษุเป็นผู้รักษาศาสนาพุทธรักษาหลักของศาสนาต้องบรรลุธรรมตามหลักไตรสิกขา มาปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาหลักสูตรคือไตรสิกขาดังนั้นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาสามนี้ไม่เอาฐานเมรแต่ศีลส่วนรวมคือมหาศีลก็ไม่ใช่ภิกษุในพุทธศาสนาพ้นความเป็นผู้อยู่ในขอบเขตพุทธไปแล้ว ซึ่งทุกวันนี้ภิกษุทุกวันนี้ไม่มีศีลกันแล้วมีแต่วินัย227น่เหน้าอเนจอนาไหมอาตมาพูดถึงความจริงนี้มาส5้าปีแล้วยังช่วยท่านให้ตื่นกันไม่ได้ท่านก็ยังมงมงายเมามายหลับไหลอ ย, อยู่ในฝันกันหลงเพลินไปกับโลกิยะ ไม่เลืมหูลืมตากันเลยยังไม่มีศีลยังมีทิศหสิบสจมอยู่ในวงจรของอดีตอนาคตปัจจุบันที่ไม่ตื่นจากกามาพบกันเลยในความเป็นพระบ้านและยังไม่ตื่นจากรูปภพรูปภพกันเลยในความเป็นพระป่ายังเมามายอยู่ในกาเมคุณห้า อยู่ลุ่มหลงอยู่ในมิจฉาชาน